สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายกรคนชอบเล่ามาเล่านิทานให้ทุกท่านได้ฟังกันอีกแล้วนะครับเริ่มเรื่องกันเลยดีกว่านานมาแล้วยังมีพระนักรแห่งหนึ่งซึ่งประสบกับภาวะฝนแรงแม่น้ำที่เคยรุ่มสมบูรณ์ก็กลับแห้งคอร์ดเหลือแต่โคลนตมในปีนั้นบังเอิญพระมเหสีของพระราชาได้ทรงตั้งพระครรภขึ้นและมีพระประสองค์อยากที่จะสวยปลาเป็นอย่างยิ่ง ไมยอมเสวยพระกายอาหารอย่างอื่นเลยเดือดร้อนถึงข้าราชบริพารฝ่ายครัวต่างก็ต้องไปเสาะหาซื้อปลาจากชาวบ้านแต่ทว่าก็ไม่เป็นผลสําเร็จเนื่องจากชาวบ้านบอกว่ามีแต่ปลาเล็กปลาน้อยและกุ้งหอยตัวเล็กๆเท่านั้นที่ติดอยู่ตามโคลนตมในแม่น้ําเท่านั้นไม่มีปลาตัวโตโ ต, ตอย่างเช่นฤดูที่น้ําหลากพระราชาทรงกลัดกลุ้มพระไทยนะักด้วยเพราะเมื่อพระมเหสีไม่ได้เสวยปลาตาม ต, ามต้องการก็พลอยไม่ยอมเสวยอาหารอื่นๆ จนกระทั่งเริ่มจะประชวนพระราชาจึงมีรับสั่งแกบ่บรรดาเสนาอํามาตย์และข้าราชบริพารในท้องพระโรงว่าพระมเหสีกําลังตั้งครรภ์มาประชวนเช่นนี้เห็นจะไม่ดีแน่ผวกเจ้าจงประกาศาออกไปว่าผูใ้ใดสามารถนําปลามาให้เราได้เราจะให้รางวัลตามที่คนผู้นั้นต้องการทุกประการเมื่อรับพระราชาองค์การของพระราชาแล้วบรรดาเสนาอํามาตย์ก็เปล่าประกาศาออกไป วันเวลาผ่านไปหลายวันก็ยังไม่มีชาวบ้านหรือชาวประมงผู้ใดนําปลามาถวายเนื่องจากฤดูนั้นเป็นฤดูที่แรงกว่าปีใดๆที่ผ่านมาจริงๆและในเมืองนั้นนั่นเองก็มีชายผู้หนึ่งที่เคยมีอาชีพเป็นชาวประมงแต่ครั้นพอฤดูแรงทําให้เขาไม่สามารถทําอาชีพนั้นได้อีกหลายเดือนที่ผ่านมาเขาจึงเปลี่ยนอาชีพไปเป็นคนหาพืชสมุนไพรบนภูเขาเพื่อนํามาขายในเมืองวันหนึ่ง ขณะที่เขาขึ้นไปบนภูเขาก็บังเอิญไปพบกับหนองน้ําเล็กๆแต่หนองน้ําเล็กๆนี้พิเศษกว่าหนองน้ําเล็กๆที่เขาเคยเจอเพราะว่าภายในหนองน้ํานั้นมันมีปลาตัวโตๆชุมอยู่เป็นอันมากเมื่อชายผู้นั้นได้เห็นก็รู้สึกดีอกดีใจนักเมื่อดนึกถึงคาประกาศของพระราชวังจึงได้รีบจับปลาเป็นจำนวนมากจากนั้นก็รีบลงจากเขาตรงไปที่พระราชวังทันทีครั้นเมื่อไปถึงประตูวังทหารยามเรียกให้เขาหยุด ตรวจตามธรรมเนียมหยุดก่อนหยุดก่อนจะเป็นใครมีธุระอะไรชายหาปลารีบชูข้องขนาดใหญ่กล่าวอย่างล้นลานว่าข้าข้าข้านาปลามาถวายพระราชาตามประกาศเมื่อหลายวันก่อนไม่ทราบว่าตอนนี้พี่ชายพอจะรู้ไหมว่าพระราชายังจะต้องการปลาอยู่อีกหรือเปล่าทหารยามได้ฟังเช่นนั้นก็ถึงกับตาโตมองข้องขนาดใหญ่ที่มีเสียง ป, ปลาดิ้นดุกดิกลุกคลิกอยู่ในนั้นก็ก็รีบถามว่า ปลาหรือนั่นแม่น้ำของเรามันแห้งขอดออกเช่นนั้นห้วยหนองคลองบึงตามหมู่บ้านต่างๆก็แห้งไปหมดแล้วนี่เจ้าไปหาปลามาจากไหนอ่ะฮะไหนลองบอกเราหน่อยสิข้าขึ้นไปหาสมุนไพรบนยอดดอยจึงได้พบกับหนองน้ำแห่งหนึ่งซึ่งยังอุดมสมบูรณ์มากแต่ก็เป็นเพียงหนองน้ำ เ, เล็กๆเท่านั้นแต่มันก็มีปลาพี่ชายมบังเอิญข้านึกถึงประกาศของพระราชาได้จึงจรีบจับปลามาถวาย ทหารยามนิ่งไปสักครู่พรางก็เกิดความคิดที่มีซื่อจึงได้กล่าวว่าก็ดีก็ดีงั้นเจ้าจงนําปลาคล้องมาให้ข้าและข้าจะนําขึ้นถวายพระราชาเองชายหาปลารีบสายหน้าปฏิเสธว่าไม่ได้ไม่ได้ข้าต้องนําปลาไปถวายพระราชาด้วยตนเองเพื่อว่าจะได้รับพระราชทานราวัลสักเล็กน้อยข้าให้ท่านไม่ได้หรอกนะพี่ชายไม่ว่าทหารยามจะเกลี้ยกล่อมแถมบังคับอย่างไร ชายหาปลาก็ไม่ยินยอมมอบข้องปลาให้และเมื่อพี่ชายไม่ให้ค่านําปลาไปถาไวายพระราชาข้าก็จะนําปลากลับเดี๋ยวนี้แหละชายหาปลาพูดทหารยามได้ฟังเช่นนั้นจึงรีบกล่าวว่าเอาละเอาละถ้าเจ้าอยากนําปลาไปถาไวายพระราชาเองก็ตามใจแต่เจ้าต้องแบ่งรางวัลให้ข้าครึ่งหนึงนะไม่ว่าพระราชาจะพระราชาทานอะไรให้เจ้าเจ้าก็ต้องแบ่งข้าเพราะข้าเป็นผู้เปิดประตูให้เจ้าเข้าไปใน ว, วัง ถ้าเจ้าไปตกลงข้าก็จะไม่ยอมเปิดประตูให้เจ้าเป็นแน่โอเคไหมชายหาปลาเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็รีบพยักหน้าแล้วก็บอกว่าได้สิได้สิพี่ชายว่าแต่พี่ชายชื่ออะไรล่ะข้าจะได้รู้จักไว้ข้ามีฉายาว่าจิ้งจอกดำเพื่อนเพื่อนมักจะเรียกข้าด้วยฉายานี้น่ากลัวไหมล่ะว่าแล้วทหารยามก็เปิดประตูบังให้ชายหาปลาเข้าไปได้เมื่อชายหาปลานําปลาตัวโตเต็มคลองไปถวายพระราชาแล้ว ก็ยังได้เขียนแผนที่ของหนองน้ําแห่งนั้นถวายแก่พระราชาอีกด้วยพระราชาทรงปิติยินดียิ่งนักทรงมีรับสั่งว่าเจ้าดิฉังมีน้ําใจประเสริฐแท้นําปลามาให้ข้ายังไม่พอและก็ยังอุตสาห์บอกถึงแหล่งที่มาของปลาให้ข้าอีกเป็นคนอื่นคงจะไม่ยอมบอกเป็นแน่จะมีก็แต่จะนําปลาม่ให้ข้าได้อีกคราวต่อไปเพื่อที่จะได้รับรางวัลตามที่ข้าประกาศออกไปดีแล้วแหละ หากพระมเหสีของข้าอยากเสวยปลาอีกเมื่อใดข้าก็จะได้ให้คนขึ้นไปบนภูเขาไปหาปลาที่หนองน้ำนั้นว่าแต่เจ้าอยากได้อะไรบ้างล่ะข้าจะได้ให้เจ้าเป็นรางวัลตอบแทนน้ำใจของเจ้าชายหาปลาได้ฟังก็ถวายบังคมพระราชาพลางทูลว่าของราวันที่ข้าเพิ่พูดใเจ้าอยากได้ก็คือการถูกเคี่ยนสักหร้อยครั้งพระเจ้าค่ะ คำตอบนั้นทําให้พระราชาและเหล่าเสนาอามาตย์ใจน้อยทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในนั้นถึงกับงุนงงสงสัยเป็นอันมากทําไมเจ้าถึงอยากถูกเคียนล่ะเจ้าควรที่จะขออย่างอื่นนะข้าจะให้เจ้าตามต้องการอย่างแน่นอนข้าไม่ผิดคําพูดหรอกพระราชาเอ่ยพระองค์ได้ทรงประกาศออกไปว่าจะพระราชทานรางวัลตามที่ขอดังนั้นได้โปรดพระราชทานรางวัล น, นี้แก่ข้าพระพุทธเจ้าเถอดท่านเจ้าข้าสายหาปลา ย, ยังย้ําเจตนาเดิม เมื่อชายหาปลายืนยันอย่างมั่นคงเช่นนั้นพระราชาจึงจำต้องรับสั่งให้มหาเล็กนำหวายที่เต็มไปด้วยน้ำเข้ามาแต่ก็มีรับสั่งกำชับว่าโบยมันเบาเบากว่าแล้วกันอย่าให้ถึงกับเนื้อแตกมหาเล็กรับกระแสรับสั่งและหลังจากนั้นก็ลงมือโบยที่หลังของชายหาปลาอย่างไม่รุนแรงนักตีแบบนมน้ำครั้นเมื่อมหาเล็กนับได้ถึง250ครั้งแล้วชายหาปลาก็รีบรอออกมาว่า พอแล้วขอรับพอแล้วขอรับพี่ชายพระราชาทรงได้ยินเช่นนั้นจึงรับสั่งว่าเจ็บแล้วหรื้อดิยังไม่ถึงห้าร้อยครั้งเลยนะชายหาปลาถวายบังคมพระราชาและทูลว่านี่เป็นรางวันที่ข้าพระพุทธเจ้าทูลขอจากพระองค์แต่ข้าพระพุทธเจ้าละ่ะจะขอรับรางวันนี้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นพยพคะเพราะว่าได้มีคนอีกผู้หนึ่งตกลงกับข้าพระพุทธเจ้าว่าจะขอมีส่วนแบ่งรับรางวันนี้ด้วยครึ่งหนึ่ง เสนาอัมหมัดน้อยใหญ่ได้ยินเช่นนั้นก็พากันประหลาดใจ ย, ยิ่งนะักอัมหมัดชราผู้หนึ่งจึงเอ่ยถามขึ้นว่าใครกันหรือที่จะรับรางวัลอีกครึ่งดนึงกับเจ้าน่ยชายหาปลาจึงตอบว่าพี่ชายผู้นั้นเป็นทหารยามครับมีฉา ย, ยาว่าจิ้งจอกดำเมื่อข้าก็มาถึงหน้าประตูวังเขาก็ได้ตกลงกับข้าว่าหากเปิดประตูให้เข้ามาในวังได้ก็ต้องแบ่งรางวัลที่ได้รับ ร, ราชทานให้แก่เขาด้วยเป็นจํานวนครึ่งหนึ่งห้ามบิดพลิ้ว ข้าเป็นคนรักษาคำพูดซะด้วยดังนั้นก็ขอให้ท่านอำมาตย์แบ่งรางวัลของข้านี้ให้แก่เขาด้วยเถินะขอขอบพระคุณมากอำมาตย์ชราได้ฟังเช่นนั้นก็ถึงกับนิ่งอึง้งและพระราชาก็สดับรับฟังเช่นนั้นก็กริ้วนักเหมือนกันรีบมีรับสั่งต่ออำมาตย์ว่ามันผู้นั้นเป็นใครเร่งให้คนนําตัวมันมาบัดเดี๋ยวนี้อำมาตย์จึงสั่งให้มหาดเล็กไปนําตัวทหารยามที่มีฉา ย, ยาว่าจิ้งจอกดํามาเข้าเฝ้าทันที และเมื่อทหารจริ้งจอกดำถูกนำตัวเข้ามาถึงท้องพระโรงก็ยิ้มกริ่มดีใจด้วยนึกว่าจะได้รับรางวัลอีกครึ่งหนึง่งแต่ทว่าจิ้งจอกดำก็ต้องตกใจจนตัวสัน่นเมื่อพระราชาทรงตว่าด้วยความกริ้วว่าจงเขียนมัน250้าทีเขียนแรงที่สุดเอาให้เนื้อแตกเลือดอาบออกไปเลยทีเดียวให้สมกับที่มันอยากจะได้รางวัลอีกครึ่งดึง หารยามจึงถูกโบยอย่างรุนแรงถูกเคี่ยนอย่างแรงจนเนื้อแตกเลือดอาบเต็มหลังครั้นมาถูกโบยจนครบ250ครั้งแล้วจิ้งจอกดำก็ถึงกับสิ้นสติสลบสลายด้วยฤทิบาดแผลอันเจ็บปวดถึงขั้นโคม่าเลยและก่อนที่ชายหาปลาจะากลับทูลลาออกจากวังไปพระราชาก็ทรงมีรับสั่งให้พระราชทานเงินทองและเสื้อผ้าให้เขาอีกเป็นจานวนหนึ่งนี่แหละครับ ไม่ลงทุนแล้วก็ยังหวังที่จะเอากับเขามันก็เหมือนกับเวลาคนถูกหวยทีก็จะแห่ไปยืมตังค์เขานหะครับมันก็ไม่ต่างกันหรอกครับแล้วก็ฟังกันเอาคำๆนะครับในนิทานนี้ชายหาปลาก็สามารถใช้ปัญญาแก้ผิดทหารคนที่คิดจะเอาเปรียบเขาได้เพราะฉะนั้นถ้าหากใครคิดจะเอาเปรียบคนอื่นก็จงระวังไว้นะครับว่าผู้คนผู้นั้นเห็นเขานิ่งๆเฉ ย, เฉยๆเขาอาจจะมีโอกาสแก้แค้นเราคืนแบบสาสมก็ได้ สวัสดีครับสวัสดี